ท่านบัดนี้อาตมาภาพ การแดดเรื่องรวมเพื่อนเล่นยามเต็มยามนักปะพันธ์เดื่อ ให้ความห้ามหงป่าหาแมนดิชาตรด้วยกว่านรวนเคงโอ้ต่าต่าสือสามาบ้าไม่มาแต่จ้องหญากท่อมเบบคาญจุงตันเป็นบราทโฮน่ะต้อยๆเจ้าผู้ตอนขัญาลาวเชียร์จากาวประแพ้แล้วบุญกาดำมันเชียวนมุ้นมุ้นเม้าต่อมากสินคาญ ยางมาโตโลโลอัญเชตนาจํานงสิต้องเปดดอกกาแต่งคิดอยากแต่งปังท่าให้คนยามก็สู้คองได้คําศาลแยกร้องเช้ามือกวาด ขวาขอทานเนื้อบ่ทานย้อนทั้งเมืองเบื้องโซทั้งคู่ บอนแก่ตัวต่างส้มน้ำแกในสีแดงออปลาเขาลาตาแดงมาควาน คนตัวกันเยอะอีเดือนถื่นมานำถึงแจ้งเมือง โอยใครแต่เบิ่งซ้อเว้ยเดี๋ยวสิลาดอกฉันคุยคุยคนแม่น ตัวอันของบาดดอกแท้ อ่าออนะบันเอะดังไปกะลาก 5 แสนชุดแถ่ในตกใจเตือนตะเลให้ลงห่อนเดี๋ยวนี้ แกดินงอดอกนมกลางสาย แม่จังมีความดีใจหลายเด้ลูกเก๋ยข่อยก็สิได้เป็นลูกลูกเก๋ยคนลําทั้งหลายฝ่ายบ่ให้ข่อยยิ้มจังดอกให้ <Manh> <asthma> กำลังเตือนสโลกาบันตะนาอีหล่ามันอยู่เฮือนบ่ว่าจิดานามว่าดอกกัวอินทมนดามีอาการยิ้มหัวเรือง ว่าเอ้ยเห็นแม่ยิ้มนั่นบ่แม่นดอกแม่ขันเห็นแม่ลั่นนั่นบ่แม่นดอกแม่ม่วงใจน้ำแตนั่นป่วนใจมีแม่นั่นยิ้มบางซังกับติ๋มเดะซะละลูกหล๋าว่าแม่นแม่ยิ้มย่างเดียวเราค่อนข้างเอ้ยสั่นสุมบางกะดีบ่สุมบางกะได้ ตอนนั้นมันก็สิยิ้มสิว่าคั่นบ่ทั้งบางจ๊ะสิเบ๋ก็สิให้จันหล่าลูกหลานของแม่เลย ต้องสมบังกะเดบ่ต้องบังกะค่ะแม่หยุดหยุด อปั้งแม่นสั้นเมมจะว่ายิ่งพราวาแนวหวกหูนหวครู่เจ้าักบอเพอ่นหัวครู่รักเดกขาอะไรเรื่องจะก็ตเเราท้งจะเราริคุณล่างคุณล่างแม้อยู่เป็นนี้ก็เมมให้กันยิ่งชา์ด <Hey. S 1> แม่นั้นวาตี้แม่ reve ศุก homepage ก่านวาเมกุมตตรวจ adalah tir 에ầy ศอกสัตมบางก borrow d there ว่าท่าน sink??? มีศำทําพ nickname แม่ 24 สิไปเว้าเรื่องหยังมันเซาเว้าเรื่องมันซะ แม่ครูมาเจ้าขอแม่ก็บ่ยอมเว้านําย้อนว่าแม่เครียด เจ้าฮู้จักบ่ตําเหลียงคุณล่างคุณล่างถ่อนั้นจําได้ป่ะแม่จ๋าแม่หนังเก่ากว่าหนังแม่คือบ่อยากนําย่ําใต้ต้นสะกาแม่บ่ได้ดอกว่าเออๆบ่ได้คือ Bàn vãn, cam cà, tình khăn sòn, có khuôn, thường quan. I llenar hòa, xa, นี่เป็นบทบาทแม่สิว่ากล่าวครั้งใสฉันมันจองผู้ซมตัวเอ้ยแสดงเป็นหางปู่เพียงจะหว่ามา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 โอ้กังเทคูลออตามพูร ยินป่วยเผื่อเครหันแก่สวรรค์ปะตอนคองย่อนที่ไหนนะกว่าจริงเถื่อจําต้นอ้าย พอเว่อันคนล้างต่อขึ้นหน้าสว่างคงสร้างต่อขึ้นดินแท้สันติกว่ากูละกูนนหกตานกูลังทำนั่นกุกอน่ะกูลังคงโขกวางหัวใจป่าวออกหวังน่ะโหนะสมมาแว่ ซ้ำกับนางวงศาลหน้าความปั่นสลายลมกระจงตาละฉันนี้ฟังความลาความกว้างที่ปัน นั่นน่ะปะชนน่ะนะโอ๋อานัยจักอีแม่นั่นรักกูเก๋ยล้วนอีแม่นู๋กวนติดไผนาให้สิโสมยังสร้างไว้คนนั่งกับไว้กว่าคนละคนลาไว้ต้นแม่นั่นนู๋ปอยตัวเอาสะหลัก me eu ni satibang pen ban khang mo kai kai pen kong เพิเป็นเพิงนา ตามก๋องงามเมื่อไสก็สู้แดนฝันแม่แต่งลูกกินความสิแม่จ๋าลูกกินนอนงามงามก็ตาม ตานเตผู้อยู่จะโตตานเตผู้นอน เจ้าต้องแต่งงานกับคุณนางเจ้าฮู้จักบ่เขาก็เป็นคนรวยเจ้าไปได้คนนําคนรวยสิเจ้าไปได้ <S an> เจ้าสั่งบ่อยากตายบนกล่องนั้นกล่องทองแท้ปะตาบักพะลุมันสิมีอีหยังสายยางเก่งมันก็ต้องมีตั้งเสร็จผูกกับโลเท่านั้นตัวสิไปหัวต้านเฮาขอขาดบาดสายบ่ อ้า! มัดสั่งบอกใจทัวเธอถูกอัวก็จะมีอัวบอกมากแม้หละมักว่าต้องเอาขันเกิดบรุของแม่ต้องฝั่งพ่อแม่เจ้าเขาใจไปฝั่งดับแม้แต่ถ้ามีอัวบอกมาก ดอกว่าเอ้ยเอาบ่เอาแม่ก็ว่าดอกหล่ามื้อนี้นำๆแม่ เมื่อผู้เป็นมนดาได้พูดแค่นั้นแล้วจึง โลกกาวมุจับไม่ อันว่าตอนเสิร์บเรื่องเทศเนื้อเรื่องนะอย่ารีไว้คะน้อง นาพลายาเตตังดอกไม้ให้กอด จำที่ขวบมวมองนาบาทใส่หุงหวงสำหวะท้องคำควรจังวะคนเน้ยนอสตร์กบ้าควังควังวันท้องควรใส่กำเอ็งกันลักว่ายเธอที่อ้างกบ้าควรลักทิชมัตรนั้น ตอนนี้ตอนปัจจุบันคอยเกื้อกันสิฮอหาสุข สๆดต้องฟดังเลยก้าวบลยยฉันบวอนเป็นผู้นบอนล Bà, bà, bà, fú, l'ho, l'eo, t'ay, sáng, hóng, kà, s'hi'n mòc, bằng, thà, l'ang, bường, s'è, con, hóng, hàm, li'am, ch'n, pa, ch'n, s'hi't, hà, c'hà, c'hàm, hi'bom, bằng, mòc, bó, c'hàm, bằng, phai, pa, a, ràm, tà, rín, hòa. No. Hi'n hô, ca, độc, vi'n fan, pa, độc, ch'ang, fu, chu, chi, du'ràn, m'an, mi'su, bạch, l'am, li'au, độc, lé, ฟาลัยโน้โหกับว่าสิคือสุ้มสักคุณาชฉันเลือรักก้อยหาดหรือสุดหินวันตื่นมันหยุดหนึ่งสะสุ้นพังชิตเห็นมังสิคือหนังกับว่ายุนออกสารเรียนละหนอ Sàp de van-nans, p'n van-p'n, p'n van-p'n, เวกกะหนอกะผัดมันกะสั่งขึ้นดอกดินกลางบ่ กูล่ะประท่านกาสีเห็นมักฟังพลังเวียงฟ้าขึ้นนี่สิไปหาว่าเบิ่งกันน่ะว่าเอ้ยว่าเป็นจังได๋คือบ่ปากบ่สิ่งสิให้มันขิ่มเส้นแช่ทางสะเจปาก ย่านคงงามกลายเป็นเออีกคนเก๋กลายเป็นมนต์ฝนกระแแรงซอฝนกะกระเหียวจนว่าแห้งบ่มีมุมซ้นติดสายดอกตี้ครูบ่มียินดอกคาทีวิสนาก่อนนี้บ่เคยฟังจักเถือว่าบัดมามื้อนี้เป็นหยังแท้จังได้ยินดอกว่าบ่มีหยังดอกคาทีฟังแล้วคาที nan pua nokom pu som thong lao pak Chí khai tham, xa tham thom, Chí khai say, xàm quan l'a khóa nháy con, Chí khai, xa, xa bàn ngọn chôn, Tràm nhật hòa tham. Đàm, chí khai, Pèn đàm, Cờ tìm thang, Xa ai phụ, Chí ơi, Chí khai, Vê cha bà, Xa tố Màt-nàm hò hì mò ien hòm, mè chờ tòm ien dèo con. Chiai chi ti lóng hù con bà sòm. Fô tàn chi vang quò vòm, nèi xaò nàm sửa ti. Nà, chi